ชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระธรรมปิฎกปออปยุตโตตอนที่เก้าเรื่องต่อไปที่อยากจะพูดในวันนี้ก็คือว่าที่เราพูดกันมาหลายครั้งแล้วเรื่องการบูชาเรื่องบูชาเรื่องการสวดมนต์อะไรต่างๆเนี่ยพูดโดยหลักใหญ่ก็คืออยู่ในเรื่องพิธีกรรมใช่ไหมอ่า พิธีกรรมก็เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของพุทธศาสนิกชนแล้วก็พระเราก็เกี่ยวข้องมาเพราะฉะนั้นก็เลยมาพูดถึงเรื่องพิธีกรรมกันแต่วันนี้อย่างที่ว่าแล้วอยากจะพูดน้อยๆก็เลยคงจะพูดนำเรื่องไว้เท่านั้นเองยังไม่จบในวันนี้นี้พิธีกรรมเนี่ยมีเพื่ออะไรเนี่ย ก็อยากจะฟังทัศนะของท่านด้วยนะี่ว่าเรามีพิธีกรรมกันเพื่ออะไรนะอยากจะฟังท่านสุรเดชสิว่ามองพิธีกรรมยังไงนะมองแล้วเห็นความหมายหรือมีความเข้าใจอย่างไรหรือมีทัศนคติอย่างไรต่อเรื่องพิธีกรรมเป็นรู้แบบที่จน้องนเกิดความร่วมสรร อ, อันนี้ก็เอาไวยะที่เคยพูดกันมาแล้วมา นี่เรื่อเคยพูดไปแล้วเลยโอแต่ว่ายังไม่ได้พูดเรื่องพิตีกรรมโดยตรงใช่ไหมครับอ้าวทีนี้ท่านจั ก, กพันนะอ่าเป็นการแสดงสตา์อ่านรแสดาอย่างหนึ่งแล้วท่านโอรัตว่าไงก็ดีที่ได้เพนนื่อเพือ่อเป็นการแสดงความของรพแสดงค ต่อพิธ uh. ีกรรมนัแล้วก็สอนเ่อน้อนำข้อข้สูตธรรมแล้วข้อที่มในพิธีกรมคื้เกิดเป็นพิธีกรรมพิธีกรรมขอหลารว่าภาษายามาดูลองมองดูในสายตากับประชาชนทั่วไปสิ อย่างชาวบ้านเนี่ยมีความเข้าใจต่อพิธีกรรมว่าอย่างไงว่าเป็นอะไรยังไม่ต้องเอาตัวเองอะ่ะเอาชาวบ้านนีนี้ถ้าเราเอาตัวเองเราก็จะพยายามพูดให้เป็นเหตุเป็นผล mm hmm. นีเอาความเข้าใจของชาวบ้านอะ่ะเขารู้สึกอย่างไรเขามาหาพราะมาทำพิธีอะไรเงี้ยนะ เ, เลยเออปลอบประโลมใจ ลนะายทุกข์ก็ลายทุกข์อันั้นมันคล้ายๆเป็นจุดหมายเอาอย่างนี้ได้ไหมพิธีกรรมเนี่ยมักจะเข้าใจความหมายว่าเป็นการกระทําให้ขลังให้ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยพิธีกรรมจะมีความหมายเชิงนี้หรือเปล่าสําหรับคนจํานวนมากทั่วไปนะพิธีกรรมนี่โอ้มีขึ้นมาทําให้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องทําให้ขลังให้ศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆนนะเป็นอย่างนี้มาก ทีนีพอขลังศักดิ์สิธ์แล้สร็เนี้ยก็ได้ผลกันสิใช่ไหมเพราะว่าโอ้นี่ขลังศักดิ์สทธิ์ก็สามารถมีผลมีอํานาจดนบันดาล น, น่ะทำให้เรานี่พ้นจากปัญหาพ้นจากความทุกข์หรือแก้ปัญหาปัญหาแก้เคราะห์ ข, อ, ของเราได้ทําให้เรามีโชคดีได้ลาบได้อะไรใช่ไหมนี่คืออํานาจที่เกิดจากความขลังถูกไหม นะัพิธีกรรมก็เป็นเรื่องของความขลังความศักดิ์สิทธิ์นะนี่แหละฮะนี่ความหมายที่มองกันทั่วๆไปเป็นการกระทําให้ขลังให้ศักดิ์สิทธิ์ตัวพิธีกรรมเองที่จริงมันมาจากคาว่าวิธีบวกกกรรมวิธีเนี่ยก็แผลงวอเป็นพอมันก็เป็นพิธีใช่ไหมเวลาวิธีแปลว่าอะไรล่ะนะวิธีก็เราจะเห็นได้ในคําว่าวิธีการใช่ไหม ก็เป็นเรื่องของปฏิบัติการที่จะนําไปสู่จุดหมายที่ต้องการใช่ไหมอันนี้กรรมก็แปลว่าการกระทํำ mm hmm. เพราะฉะนั้นวิธีการที่แผลงเป็นวิธีการก็เอ้ยขออภัยวิธีกรรมที่แผลงเป็นพิธีกรรมมันก็คือการกระทําที่เป็นวิธีการหรือเป็นเครื่องมือที่จะ นำไปสู่ผลหรือจุดหมายที่ต้องการทีนี้จะมีจุดหมายอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งทีนี้จุดหมายที่เป็นมาในศาสนาต่างๆแต่เดิมเนี่ยมันมักจะเป็นจุดหมายที่เป็นเรื่องของผลในเชิงอำนาจบนดนบันดาลใช่เพราะฉะนั้นมันก็เลยไปสนองจุดหมายนั้นเมื่อไปสนองจุดหมายในเรื่องของอำนาจบดนบนน <rie forgetting. S 2> ันดาลก็ต้องมีความขลังความศักดิ์สิทธิ์นั่นความหมายของพิธีกรรมัก็เป็นเรื่องความขลังความศักดิ์สิทธิ์ นี้ต่อมาไอ้เรื่องความหมายทางขลังศักดิ์สิทธิ์นี่มันชักจะเลือนไปเช่นอย่างในยุคที่คนนี่มานิยมวิทยาศาสตร์มากนในยุคหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยคนเนี่ยจะดูถูกเรื่องของลัทธิเรื่องขลังศักดิ์สทธิ์เรื่อ ง, ง, ศ, ศ, อง ศ, ศาสนาทั่วๆไปหันหันไปเรียกว่าคลั่งวิทยาศาสตร์ใช่ไหมยุคนั้นก็ไม่เห็นความสําคัญกับเรื่องพิธีกรรมพิธีกรรมที่ติดเหลือมาก็จะเป็นเรื่องศักวะธรรม จกนกระทั่งกลายไปว่าคนไนี่มองพิธีกรรมเป็นเรื่องศักวะธรรมธรรมไปใช่ไหมเพราะมันเรื่องติดกันมาแต่เดิมไอ้ความหมายที่ขลังศักดิ์สิทธิ์มันก็ไม่มีแล้วนะก็เลยไปตรงข้ามความหมายหนึ่งก็เป็นเรื่องขลังศักดิ์สิทธิ์อีกความหมายหนึ่งเมื่อเลื่อนล่างไปก็เลยไม่มีสาระอะไรทำพอเป็นพิธีคือว่าเพื่อเรืร่องพิธีกรรมนี่ศักวะธรรมไปอย่างนั้นนั้นเวลาทําอะไรแต่อะไรถ้าทำไม่เอาจริงเอาจังเราก็เลยเรียกกันว่าทําพอเป็นพิธีใช่ไหม กลายเปว่าคำว่าเป็นพิธีนี้ไม่ดีซะอีกทั้งๆ ท, ท, ที่เดิมมันตรงข้ามเพราะว่าเรื่องขลังศักดิ์สิทธิ์ก็คือเอาจริงเอาจังใช่ไหมมันตรงกันข้ามเลยทาให้หนักแน่นเวลาเข้าพิธีนี้โอ้โหต้องเตรียมใจเอาจริงเอาจังกลัวเลยนะถ้าทําผิดพิธีนี้กลัวว่าเดี๋ยวเท พ, พเจ้าจะมาหักคอหรือจะเกิดเคราะห์ร้ายอะไรต่างๆยังไม่ได้เลยต้องตั้งใจทําให้ดีเลยเนี่มันสุดตรงสองอย่าง นี่ว่าความหมายสุดโต่งสองอย่างนี้น่าจะไม่ใช่ความหมายที่แท้จริงของพุทธศาสนาแลพุทธศาสนานั้นก็หลักการก็บอกแล้วว่าเราไม่ได้มุ่งในแง่ของอํานาจโดนบรรดาของสิ่งเร้นรับภายนอกนะหรือหวังพึ่งอํานาจภายนอกมาโดนบรรดาช่วยเหลือหลักการพุทธศาสนาไม่ใช่อย่างนั้นนี่ในพุทธศาสนาจะมีพิธีกรรมหรือเปล่าเออก็เกิดเป็นคําถามขึ้นมา แล้วก็ปรากฏว่ามีนักปราชญ์หลายท่านเนีเช่อนอย่างนักปาราชญ์ฝรั่งเนี่ยเขาไม่เกี่ยวข้องเขาไม่เคยเห็นวัฒนธรรมไทยในหมู่ชาวพุทธเขามาศึกษาพุทธศาสนาโดยตรงจากคําสอนในคัมภีร์หลายคนบอกว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ไม่มีพิธีกรรมว า, างเงเอาไปน่นเลยนะแล้วก็บางคนก็เลยไปถึงก็บอกว่าพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนา คือไม่ใช่ศาสนาในความหมายของประเทศเขาในความหมายของอารยธรรมของเขาคือในความหมายของตะวันตกเพราะตะวันตกเขาจะมองศาสนาในความหมายที่เขาใช้คำว่า religion religion ก็จะมีความหมายของเขาซึ่งเขาเองเขาก็จํากัดความยากเต็มทีจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็ยังหาลงกันไม่แต่ว่ามันมีอันหนึ่งที่เขาบอกว่าเป็น religion เ, เนี่ยมันจะต้องมีความผูกพันกับสิ่งเลึนลับเหนือธรรมชาติ เขาเรียกว่าซนะูเปอร์แนชวลซึ่งมนุษย์เนี่ยไม่สามารถจะเข้าใจได้อยู่นอกเหนือความสามารถของตนต้องไปผูกพันกันนะั้นทีนี้พุทธศาสนาไม่มีความผูกพันอันนี้เพราะฉะนั้นไม่เป็นาศาสนาในความหมายของเขานะไม่ใช่ความหมายของเราในความหมายคําว่าลีลิชเช่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่ถกเถียงกันมากแล้วก็กลับมาสู่เรื่องพิธีกรรม นี่หันกลับไปดูศาสนาโบราณต่างๆก็มีเรื่องพิธีกรรมนี่เป็นเรื่องสําคัญนะพิธีกรรมนี่อย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยความหมายอย่างหนึ่งที่สําคัญรู้จะเป็นความหมายหลักก็คือเรื่องการที่ทําให้เกิดความรู้สึกขลังและศักดิ์สิทธิ์ซึ่งจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องยกตัว อ, อย่างนะเรื่องพิธีกรรมเช่นอย่างพระพุทธเจ้าวันหนึ่งเมื่อพระองค์ประทับอยู่ในเมืองราชครึก ตอนเช้าตรู่ก็เสด็จออกมานอกเมืองก็พบได้ทรงได้ทอดพระเนตรเห็นมานบคือหนุ่มน้อยวันนพรามคนวันนพรามที่เป็นคนหนุ่มเขาเรียกวัามานบมานบผู้นี้ซึ่งเป็นคนวันนะสูงและเป็นพรามนีนะ่ก็ออกมาจากเมืองราชครืแล้วก็อาบน้ำลงน้ำมาจนเปียกทั้งตัวทั้งเสือ้อทั้งผ้าทั้งผมน่ เปียกอยู่อย่างนั้นอ่ะแล้วก็มายืนไหว้ทิศเริ่มได้ไหว้ทิศตะวันออกก็คือทิศพราทิศขึ้นก่อนแล้วก็ไปทิศเขาเรียกว่าพื้นทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาทิศเบื้องซ้ายแล้วก็ทิศเบื้องหลังนะก็คือทิศตะวันออกแล้วก็ทิศใต้แล้วก็ทิศเหนือแล้วก็ทิศตะวันตกแล้วก็ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างหทิศ พระพุทธเจ้าก็เข้าไปจัดถามว่านี่เธอทําอะไรเขาก็บอกว่าไหว้ทิศเอาแล้วทำไมเธอทํำล่ะบอกว่าบิดาของข้าพเจ้าเมื่อตอนที่อยู่บนเตียงที่จะตายก็คือหมายความว่าเมื่อนอนใกล้จะสิ้นใจเนี่ยได้สั่งข้าพเจ้าไว้คือฝากฝังสั่งเสียว่าถ้าเคารพพ่อแล้วนะเมื่อพ่อสิ้นชีวิตไปแล้วเนี่ย ให้ไหวทิศทั้งหกเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าเนี่ยต้องการปฏิบัติตามคําสอนของท่านด้วยความรักเคารพ บ, บิดาก็ต้องทําตามนั้นหมายความว่าถึงไม่เข้าใจก็ต้องทำเพราะเคารพ บ, บิดาก็มาไหวทิศนี่เห็นไหมพิธีกรรมพิธีกรรมก็เลยเป็นเรื่องที่ว่ามันเป็นความหมายที่สื่อไปถึงอะไรอย่างหนึ่งที่เร้นลับซึ่งเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆเนี่ย แต่ว่าเราไม่เห็นความหมายชัดเจนในตัวมันที่เกี่ยวกับประโยชน์ใช้สอยหรือเรื่องของเหตุผลในชีวิตประจําวันมองไม่เห็นใช่ไหมว่าไอ้ทําไมไปไหว้ทิศตะนออกทิศเหนือไปอไปอาบน้ํามาเปียกทั้งตัวแล้วก็มายืนไหว้ท่โนนทีท น, นิี้ถีนะถ้าคนต่างวัฒ น, นธรรมมามองก็เอ๊ะเป็นเรื่องแปลกนะอาจจะเป็นเรื่องขาไปเลยก็ได้แต่ว่า คนพวกอื่นจะเห็นว่าไม่มีความไม่มีความหมายแต่พวกที่ทำนั้นถือว่าเป็นเรื่องสําคัญใช่ไหมทีนี้ความหมายนี่ก็คือขั้นที่หนึ่งก็คือความศักดิ์สิทธิ์ความขลังอันนี้เป็นตัวยึดไว้แต่ไอ้ความศักดิ์สิทธ์ความขลังนั้นเขาไม่เห็นเหตุผลที่แท้จริงในเชิงที่เป็นชีวิตประจําวันหรือเหตุผลที่จะเข้าใจได้นีอันนี้ว่าอาจจะเป็นได้ว่ามันมีเหตุผลที่แฝงอยู่เบื้องหลัง แต่เหตุผลเหล่านั้นเป็นเหตุผลที่ซ่อนเร้นซึ่งอาจจะเป็นเหตุผลด้วยความปรารถนาดีต่อผู้กระทาแต่ว่ามันยากที่จะสื่อสารในระยะยาวเพื่อจะให้ข้อปฏิบัติที่เป็นพิธีกรรมนี้สืบต่อไปได้นานๆใช่ก็กําหนดให้ทากันไปแล้วเอาความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมาเป็นจุดกําหนดมาเป็นอานาจมาเป็นตัวที่ทาให ผูกมัดจิตใจคนต้องทำเพราะกลัวชเป็นต้นใช่ไหมถ้าไม่ทําแล้วเกิดผลร้ายเกิดเคราะห์อะไรถ้าทาแล้วได้ผลดีมีโชคลาบนี่ก็มาสนองอ ก, กิเลสของคนเอากิเลสของคนมาช่วยผูกมัดถ้าคืนไปอธิบายกันอยู่และพิธีกรรมข้อปฏิบัติมันเยอะแยะไปหมดอธิบายกันไม่หวัดไม่ไหวแล้วคนไม่เอาใจใส่ก็เอากันในเรื่องอํานาจได้รับแกทําไปก็แล้วกันแล้วแกก็ได้โชคได้ลาบไม่มีเคราะหอะไรใช่ไหมถ้าแกไม่ทําก็จะเกิดเคราะห์ร้าย คนก็ตั้งใจทําทั้งทง ท, ง ท, ง ท, งที่ไม่รู้เรื่องศาสนาต่างๆก็เลยมาในลักษณะนี้ที่เขาเรียกว่าเกิดด็อกมาข้อปฏิบัติความเชื่อที่ตายตัวการที่ต้องทําอย่างไรอย่างหนึ่งตายตั ว, ตวก็ศาสนาพวกศรัทธานี้ก็จะอยู่ในลักษณะนี้กับพิธีกรรมก็จะอยู่ในลักษณะนี้ด้วยนี่ก็มาในพุทธศาสนานี่เราไม่มีข้อกําหนดตายตัวแบบนั้นก็เลยฝรั่งเขาเรียกว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ไม่มีด็อกมาน แต่เมื่อไม่มีด็อกมา่าให้ปัญญาเป็นตัวกําหนดนะพุทธศาสนาเนี่มุ่งที่ปัญญาทีนี้ถ้าคนไม่ศึกษาไม่ใช้ปัญญาก็รักษาศาสนาไม่อยู่ส่วนศาสนาที่ใช้ศรัทธาเขาว่ามีข้อกําหนดตายตัวไม่ต้องถามทําไปก็แล้วกันเชื่อไปก็แล้วกันอย่างนี้กลับอยู่ได้ดีใช่ไหมอยู่ได้ง่ายเลยเก็บอกลูกเกิดมาพ่อแม่ก็บอกเอา้าทําอย่างงี้กันแล้วกันไปวัดวัดทําอย่างงี้กันแล้วกันใช่ไ ก็ไม่ต้องถามกันมันก็อยู่ได้ข้อปฏิบัติงั้นเรเชื่ออย่างนี้กันแลก็อยู่ไปเลยนี่พุทธศาสนานั้นต้องอาศัยปัญญาถ้าไม่มีปัญญาไม่รู้ไม่เข้าใจต่อไปก็เพียนหมดอ่เพราะฉะ น, นั้นพุทธศาสนานี่จะอยู่ได้ต้องมีการศึกษาตลอดเวลาไม่เหมือนาศาสนาทั่วไปที่เขาอยู่ด้วยศรัทธาที่เอาข้อกําหนดทางความเชื่อและการปฏิบัติมาบังคับตายตัวอันนั้นอยู่ได้เลยนะนี่เป็นจุดอ่อนอย่างหนึ่ง จะว่าเป็นข้อดีหรือข้อเสียของพุทธศาสนาก็แล้วแต่ทําให้พุทธศาสนาเนรักษาได้ยะกอา้าวทีนี้ก็ย้อนกลับมาเรื่องพิธีกรรมอีกพูดไปเดี๋ยวก็ขอจะเลยนอกไปเรื่อยทีนี้ก็มาเรื่องพิธีกรรมเนี่ยก็ศาสนาต่างๆก็จะใช้กําหนดเป็นข้อปฏิบัติเช่นพราหมณ์ก็จะบอกวันนี้นะอา้าวบูชาไฟไฟมีกี่ชนิดที่จะต้องจุดบูชาเขาก็จะกําหนดไว้ นะเช่นไฟบางชนิดนี้ต้องบูชาตลอดจะให้ดับใชหรนะักษาไว้ชั่วลูกชั่วหลานจากพ่อแม่ก็ส่งต่อให้ลูกลูกก็คอยดูแลไฟไม่ให้ดับนะและ้วอันนี้ก็เช่นไฟชนิดหนึ่งหรือพิธีบูชายันก็จะมีข้อกำหนดเช่นเอาสัตว์ชนิดนี้แพะแกะแพะห้าร้วัวห้าแกะ500ออะไรเงี้นะแล้วพิธีกรรมจะทำ ไอตัวคนที่จะมาทํานั่นเช่นสามีกับพันยาสามีจะต้องแต่งตัวอย่างนั้นนะพันยาจะต้องแต่งตัวอย่างนั้นจะต้องมาอยู่ในที่ที่กําหนดไว้แล้วก็นอนอย่างนั้นเป็นเวลาเท่านั้นอะไรต่างๆเหล่านี้นะเนี่ยข้อกําหนดเหล่านี้ก็เป็นพิธีกรรมซึ่งเรามองไม่เห็นเหตุผลชัดเจนออกมานะหรืออย่างที่ว่าเมื่อกี้ไปไหว้ทิศก็เหมือนกันก็เราก็ไม่เห็นเหตุผลอะไรออกมานะทีนี้เหตุผลอย่างหนึ่งก็บอกว่าอย่างที่พูดเมื่อกี้เนี่ยมันอาจจะเป็น ความปรารถนาดีของผู้ที่ริเริ่มมาแต่ว่าไม่ต้องมาโเสียเวลาอธิบายให้เขาได้ประโยชน์นั่นเป็นเลยในการปฏิบัติธรรมไม่ต้องเข้าใจเหตุผลโบราณก็แปนว่าเป็นข้อปฏิบัติที่สืบสืบกันมาไม่ต้องถามเหตุผลเรามองดูเราก็ไม่เห็นเ ห, นเหตุผลในเชิงปฏิบัติในชีวิตประจําวันหรือที่ผู้คนจะเข้าใจได้ก็เป็นเหตุผลพิเศษนะที่เร้นลับอย่างที่ว่าทีนี้อาจจะเกิดจากความปรารถนาดีของผู้ที่ วางขึ้นมาก็ได้นะเช่นอย่างไหว้พระอาทิตย์เนี่ยอาจจะมีเหตุผลต่างๆแต่ว่าอย่างง่ายๆก็าจะทําให้ต้องตื่นแต่เช้าอางี้เป็นต้นถ่านพระอาทิตย์ขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะก็ไม่ต้องมาบอกก็เสียเวลาคุณปฏิบัติไปก็แล้วกันมาไหวทิศเนี่ยเพื่อจะไหวทิศให้ถ่านมันก็ต้องไหวพระอาทิตย์ขึ้นนะมันจะหมายว่าไหวตอนเที่ยงเอาไว้ถ่านพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ไหวแล้วต้องรีบตื่นแต่เช้าอางี้เป็นต้นนะ หรืออาจจะเป็นเหตุผลที่เป็นความปรารถนาร้ายของผู้ที่ว่างก็ได้เช่น <c oughs> เห็นแก่ผลประโยชน์ของตัวเองพราหมณ์อาจจะวางข้อกําหนดนะเพ <c oughs> ื่อจะได้ลาบมากๆ <c oughs> ใช่ไหมก็ทําให้มีซับซ้อนอะไรขึ้นมาก็ได้นี <c oughs> ก็ว่ากันไปแล้วก็ไม่ปลอดภัยถ้ามนุษย์จะพัฒนากันจริงๆ <c oughs> ก็ต้องรู้เหตุรู้ผลเหตุผลที่แท้จริงแต่คนจะต้องไม่ขี้เกียจไม่คลานเกินไปต้องใช้ปัญญาพิจารณาและตั้งใจศึกษานีอันนี้ อย่างเรื่องของมนบที่ว่ามาไหว้ทิศเนี่ยพระไตรปิฎกก็เล่าไว้แคนั้นอัต่กถาคือคัำพีหรือหนังสือที่อธิบายพระไตรปิฎกก็เล่าเพิ่มเติมบอกว่าความจริงนั้นนะบิดาของมนบคนเนี้ซึ่งเป็นพราหมเนี่ยเป็นพุทธศาสนิกชนเน่ยเป็นโสดาบันด้วยซ้ําน่ยทีนี้ตอนที่แกอยู่เนี่ย แกก็เอาใจใส่อยากจะให้ลูกเนี่ยได้รู้หลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าชักนํายังไงลูกคนนี้ก็ดือ้อไม่เอาใจใส่นะผมว่าเอาไปวัดกันบ้างสิเขาก็ไม่ยอมไปบอกไปแล้วไปต้องไปไหว้พระต่อไปนั่งหลังคดหลังแข็งเมื่อยเราณั้ น, นแล้วก็เดี๋ยวไปรู้จักกับพระเขาอีกคุ้นเคยกันขึ้นมาเดี๋ยวก็จะต้องนิมนต์ไปบ้านจะต้องถวายอาหารสิ้นเปลืองยุ่งประ เลยไม่ยอมไปวัดสักทีไม่เข้าใกล้ชิดพระพุทธเจ้าพระสงฆ์นี้พราหมณ์ก็อยู่มาแก่จะถึงแก่กรรมเอ๊ะจะทำยังไงเราจะได้ช่วยให้ลูกของเราเนี่ยได้รู้จักธรรม ะ, ะได้รู้จักพระสงฆ์ไปวัดก็เลยทําเป็นอุบายสั่งลูกให้ไปใช้พิธีไหว้ทิศเนี่ยแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ต้องเจอกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็จะต้องตรัสถาม แล้วก็จะเป็นอุบายที่จะนําลูกเข้าสู่พุทธศาสนาได้นี่อัตฉริยเล่านะฮะจะจริงไม่จริงก็แล้วแต่พระอัจถริาจารย์ท่านว่าอย่างนั้นเอ้าแล้วครับแต่ยังไงก็ตามไปอันว่าตัวเรื่องการไหว้ทิศเองเนี่ยเราจะเห็นว่ามันไม่มีเหตุผลชัดเจนในตัวนี่พระพุทธเจ้าเมื่อได้พบกรรมานนทนี้แล้วพระองค์ก็เลยตัดว่าการไหว้ทิศอย่างนี้ไม่ใช่การไหว้ทิศในอริยวินัยนี่นะ ในอริยวินัยวินัยก็คือแบบแผนอริยะของอริยชนมานพก็เลยอมีได้เลยการไหว้ทิศในแบบแผนของอริยชนอย่างข้าพเจ้านี่ไม่ใช่ไหว้ทิศแบบอริยชนแล้วนี่ใช่ไหมก็เลยถามว่าแล้วยังไงละ่ะที่เขาเรียกว่าเป็นการไหว้ทิศในแบบแผนของอริยชนพระพุทธเจ้าก็เลยจัดแสดงว่าทิศต่างๆเนี่ยก็คือผู้คน ที่อยู่ในสถานะต่างๆกันที่เราต้องมีความสัมพันธ์นเมื่อเราดําเนินชีวิตยอยู่ในสังคมเราจะต้องมีความสัมพันธ์กับคนที่อยู่ในสถานะแห่งความสัมพันธ์ต่างๆการซึ่งจัดแยกได้เป็น6ประเภทและปฏิบัติหน้าที่ต่อบุคคลเหล่านั้นให้ถูกต้องนั้นเรียกว่าการวายทิศนี่พระองค์ก็จัดอย่างนี้และพระองค์ก็จัดถึงทิศฐิ่ึง ทิศตะวันออกทิศเบื้องหน้าเด็กกับิดามัรดาจะต้องปฏิบัติต่อการระหว่างบิดามันดากระบุตรอย่างนั้นนะเนี่ยเมื่อทำอย่างนี้เรียกว่าวายทิศไปเรื่อยๆนะจัด6ทิศอันนี้จะไม่มาพูดกันในทีน่นี้เพราะต้องการอาธิบายเรื่องพิธีกรรมนะก็เกิดมีความหมายขึ้นมานะพระพุทธเจ้าก็ให้ความหมายใหม่กับเรื่องทิศหและการไหวทิศก็เป็นเรื่องเป็นเหตุเป็นผลเป็นการใช้ประโยชน์ในเรื่องของชีวิตและสังคมมนุนแต่ว่า พิธีกรรมในความหมายเดิมเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องของความขลังความศักดิ์สิทธิ์เป็นสําคัญเหตุผลเลร้นลับมองไม่เห็นอาจจะเป็นเหตุผลที่เป็นประโยชน์อยู่เบื้องหลังก็มีหรือเหตุผลนั้นไม่จริงไม่จังหรืออาจจะเป็นเหตุผลพ้นสมัยไปแล้วก็ได้อาจจะตอนบัญญัตินั้นมีเหตุผลที่เป็นประโยชน์แท้จริงอยู่เบื้องหลังแต่ว่าเพราะว่าไม่รู้อะไรตามทำตา ม, ตา ม, ตามสื บ, ส, บสืบกันมาเหตผลนั้นอาจจะสําหรับ ชีวิตในยุคก่อนซึ่งสมัยนี้ไม่เกี่ยวแล้วก็ได้ใช่ไหมก็กลายเป็นว่าถือปฏิบัติกันไปตามความเชื่ออาจจะเป็นความหลงความงงงายก็ได้นีในยุคเดิมนั้นที่นักปราชเขาบอกเขาศึกษาแล้วเนี่ยพุทธศาสนาไม่มีพิ ธ, ธีกรรมก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยจะทรงปฏิบัติในเรื่องประโยชน์ที่เห็นกันจริงๆ จ, จ, จังเป็นเหตุเป็นผลกันไปเลยใช่ไหมดนั้น มาเทียบกับยุคนี้แล้วจะเห็นว่าเอ๊ะในสมัยพุทธกาลไม่มีพิธีกรรมอย่างยุคนี้อย่างพระฉันข้าวก็จะมีพิธีใช่ไหมย อ, อย่างการรับศีลพิธีทำบุญเนี่ยะจะมีจุดทูบจุดเทียนบูชาพระรัตนตรยัยมีการไหวการกราบวางเป็นแบบเป็นแผนมีการอาราธนาศีลรับศีลที่เรียกว่าสมาทานศีลแล้วก็มีเจริญพระพุทธมนต์ อะไรต่างๆเหล่านี้นี่นมนพระไปฉันกว่าจะได้ฉันนี่ว่าก็ตั้งครึ่งคอ่อนชั่วโมงใช่ไหมและฉันเสร็จแล้วก็มีการสวดอนุโมทนาสวดอนุโมทนาเสร็จก็กลับาบางทีแทบไม่ได้พูดได้จากันเลยกจ็จะภาพาก็เป็นเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าพิธีกรรมไปหมดแล้วก็ความหมายก็ไปอยู่ที่สองอย่างเนี่ยหนึ่งเรื่องของความคลังความศักดิ์สิทธ์ ที่เกี่ยวข้องไปถึงอำนาจเล่นลับอะไรบางอย่างที่จะบันดาลผลสำเร็จให้ปัดเป่าภัยอันตรายเคราะห์กรรมแล้วก็ให้โชคลาภเป็นต้นนะหรือไม่ก็มองเป็นเรื่องของศักดิ์แต่ว่าทำเป็นพิธีไปเลยเนี่ยมองเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งทีงนี้ความหมายที่แท้จริงอยู่ที่ไหนเราหันกลับไปดูว่าพระพุทธเจ้านี่เมื่อมีผู้นิมนต์ไปบ้านก็จะไม่มีพิธีกรรมเหล่านี้ใช่ม แต่ใ จ, จแล้วเราจะเห็นได้ในพระไตรปิฎกจะเล่าไว้เมื่อพระพุทธเจ้าฉันเสร็จอย่างที่เขานิมนต์ไปฉันทรงได้ไปสบวยที่บ้านของเขาแล้วพระองค์สเบเสร็จนะพระองค์ก็จะตรัสธรรมกัตถะก็จะมีลงท้ายบอกว่าพระผู้มีพระภาคได้ยังบุคคลนั้นให้เห็นแจ่มแจ้งสันทัศเศษตษวาให้ มีจิตน้อมรับคำสอนของพระองค์สมาธะเปตวาแล้วก็สมุตเตชนะสมุตเตเชตตวาทำให้เขานี่มีจิตใจแกล้กลาเกิดกำลังใจคึกคักที่จะปฏิบตัติตามคำสอนของพระองค์แล้วก็สัมปหังเศรษตวาทำให้ร่าเริงยินดี จิตใจเบิกบานสดชื่นเพราะว่าธรรมยากถายะด้วยระถาถ้อยคำที่ประกอบด้วยธรรมะว่า น, น, นี่เวลาพระพุทธเจ้าฉันเสร็จนี่ก็จะมีอันเนี้ยลงท้ายแล้วจึงจะเสด็จกลับเพราะนี่คือจุดท้ายจุดท้ายก็ลงด้วยธรรมยากถายะนะ่ะสันทัตเศตวฐสมาธเปตวา สมุตเตเชตวาสัมปหังเสตวาแล้วก็เสด็จกลับนี่ใช่ไหมจะเห็นว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงปฏิบัติเป็นเรื่องเนื้อหาสาระก็คือจบแล้วก็คงทรงแสดงธรรมสอนเขาแล้วให้เขาเกิดความเข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งมีกำลังใจที่จะประพฤติปฏิบัติจิตใจร่าเริงเบิกบานแล้วก็เสด็จกลับอทีนี้เรามาดูว่าพระสมัยปัจจุบันนี้ไปประกอบพิธี ไปสวดมนต์เสร็จกลับแล้วเราดูว่าสองอย่างนี้อันไหนมีคุณค่าในเชิงประโยชน์คุณค่าในเชิงจิตใจอะไรต่างตๆๆๆ่างกันยังไงหรือว่ามันสื่อถึงกันอย่างไรอันนี้คือสิ่งที่อยากจะพูดต่อไปตอนนี้ก็มาเริ่มไว้ให้เห็นว่าเออเราพิธีกรรมมันก็เข้ามาสู่พุทธศาสนาในปัจจุบันใช่ไหม ถ้าพูดว่าในยุคพุทธกาลพระพุทธเจ้ามาเห็นทรงมีพิธีกรรมอะไรเนี่ยก็ทรงเอาเรื่องการปฏิบัติกันจริงๆให้เห็นประโยชน์ชัดเจนไปเลยอันี้มาในปัจจุบันในพุทธศาสนาก็ชักจะไปคล้ายๆศ า, า ส, สนาทุ่ๆไปที่มีพิธีกรรมเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความหมายทางขลังศักดิ์สิทธิ์อย่างที่ว่าทำให้คนเป น, นึกถึงอานาจเร้นลับอะไรจะมาบรรดาลผลให้าตามที่ต้องการ ทั้งในเชิงปัดเป่าภัยอันตรายทั้งในเชิงที่บรรดาญผลสําเร็จเนี่ยเดีนี้พิธีกรรมเหล่านี้เข้ามาสู่พุทธศาสนาอย่างเราจะทําอะไรเดนี้อา้าวจะมีการที่งานมงคลก็ให้พระเจริญพุทธมนต์มีการทําน้ำมนตมีสายศิลป์นะเราบางทียังจะต้องมีกําหนดอีกว่าจะต้องเอาใบเงินใบทองใบนาค มาใส่ด้วยอะไรงี้นะฮะถ้าคนที่จะเคร่งครัดวิธีก็อาจจะมีเรื่องรายละเอียดยุมยิบอีกเยอะเลยนะแล้วก็ยังวางศีลาเลิกพระก็อาจจะเดี๋ยวนี้เข้าไปเกี่ยวของที่จริงเป็นพิธีพราหมณนะ์ก็จะมีเรียกว่าแผ่นทองแผ่นเงินแผ่นนาคอะไรเงี้แล้วก็มีข้อกําหนดเกี่ยวกับเรื่องไม้อะไรต่างๆนะไม้ชนิดไหนที่จะามาใชนะ้เอามาตอกคล้าเป็น คล้ายๆเป็นเสารหรือเป็นหลักอะไรเงี้ยนะเรามีกอ้อิดอะไรพวกเนี้ยอิดทองอิฐเงินอิดนาคอะไรเงี้นีอย่างงี้เป็นต้นเนี่ยเรื่องพิธีกรรมเราจะเห็นว่ามีข้อกําหนดซึ่งเรามองไม่เห็นเหตุผลชัดเจนนี้เรามาดูว่าตอนนี้พิธีกรรมก็เข้ามาเป็นส่วนสําคัญในพุทธศาสนาพิธีกรรมมีความหมายอย่างไรความหมายอะไรควรเป็นความหมายที่แท้จริงที่ต้องการในพุทธศาสนา นี่ผมขอฝากไว้เป็นเรื่องที่เราจะพูดกันต่อไปตอนนี้ก็พูดเกินนำไว้ใหนะ้แล้วก็ความหมายที่เข้ามาในแบบของศาสนาโบราณกับความหมายที่แท้จริงที่ต้องการในพุทธศาสนาเนี่ยจะมาโยงกันได้ประสานเข้ากัวไกันอย่างไรนะจุดที่ต้องการก็คงจะเป็นความหมายที่แท้ที่เป็นของพุทธศาสนาถ้าเราไม่สามารถโยงถึงอันนี้ได้ ก็พุทธศาสนาก็จะต้องคลาดเคลื่อนจะต้องเพี้ยนออกไปเพราะว่าไม่สามารถรักษาสาระไว้ได้ใช่มนี้ตอนนี้ก็เป็นที่น่าเป็นห่วงพอสมควรว่าการกระทำพิธีกรรมนั้นก็เป็นการกระทำในความหมายแบบศาสนาโบราณไปซะมากมก็ได้เลยได้สองอย่างที่ว่าหนึ่งก็ความหมายเชิงขลังศักดิ์สทธิ์หรือมิฉนั้นก็เป็น เรื่องของการทำสืบสืบกันมาพอให้เป็นธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมเป็นเรื่องของวัฒนธรรมศักตะวัฒนธรรมนะไม่ได้มีความหมายเหตุผลอะไรพิเศษนะเรามาดูว่าสาระที่ต้องการคืออะไรนะก็วันนี้ก็คิดว่าเอาไว้แค่นี้ก่อนนะ